4.1 การปฏิบัติธรรมเป็นอริยทรัพย์ที่ติดตัวข้ามภพข้ามชาติวงเล็บเปิด17พฤศจิกายน2 5 5พันาในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที32วงเล็บปิดการปฏิบัติธรรมเป็นของที่จะติดตัวเราไปจะติดตัวข้ามภพข้ามชาตินะส่วนทรัพย์สมบัติทั้งหลายจะทิ้งเอาไว้ในโลกมีคนหนึ่งตอนเด็กๆสักสิบขวบได้เล่นลูกหินอยู่หน้าบ้านบ้านเป็นตึกแถวนะเล่นอยู่ที่ถนน เห็นไฟไหม้ต well, ึกแถวใกล้ๆบ้านห่างไปสีห้าห sure. claro. no. so ้องไฟพุ่งออกมาตกใจเพราะตกใจนะคว้าลูกหินต้องเก็บลูกหินเอาไว้ก่อนเพราะงกไม่ทิ้งนะคว้าลูกหินได้วิ่งเลยจะไปบอกพ่อวิ่งไปเลยหนึ่งสองสามเก้าที่สามนะสติเกิดพรึบเลยเห็นจิตที่ตกใจจิตตื่นขึ้นมาในขณะนั้นเลยโดยที่ยังไม่ได้ฝึกเลยนะหลวงพ่อพุธท่านบอกว่ามันขึ้นมาได้เพราะของเก่าเพราะมีของเดิมเคยทามาแล้ว มีพระอีกองค์หนึ่งมาเล่าตอนที่ท่านเป็นวัยรุ่นยังไม่ได้บวชงานลอยกระทงเขาจุดพรุเปรี้ยงท่านตกใจท่านเห็นจิตที่ไหวขึ้นมาดูจิตขึ้นมาได้เนี่ยเป็นของเก่าที่ข้ามพบข้ามชาติมาเพราะฉะนั้นที่เราฝึกทุกวันนี้นะถ้าชาตินี้เราไม่จบมันจะข้ามไปอีกตามไปอีกได้นะติดตัวไปเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ติดตัวเราไปได้